เทวสภาคาสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมมาสู่เทวสภา1นึภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหลายปลื้มใจกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการซึ่งมาในที่ประชุมของเทพธรรมสีประการอะไรบ้างคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจุติจากภพนี้แล้ว ไปเกิดในภพนั้นคิดว่าพวกเราประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นใดในพระพุทธเจ้าจึงจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้แม้อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดในสํานักเทพทั้งหลายได้รับคําเชื้อเชิญว่ามาเถิด 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจจุติจากภพนี้แล้ว ไปเกิดในภพนั้นคิดว่าพวกเราประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นใดจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในที่นี้แม้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเช่นนั้นก็ไปเกิดในสำนักของเทพทั้งหลายได้รับคำเชื้อเชิญว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหลายปลื้มใจ กล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ซึ่งมาในที่ประชุมของเทพเทวสภาขสูตรที่6จบ